ข้อความในมัชฌิมนนกายมูลปันนาตเนี่ยนะในมาขค้นมหาธรรมะสมาทานสูตรแปลว่าการถือเอาแล้วประพฤติเนี่ยนะเป็นสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถเป็นธิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดําดรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ส่วนมากส่วนมากก็คือโดยมากเนี่ยนะโดยมากสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีความรักใคร่อย่างนี้ม <Jub ilee> so ีความพอใจอย่างนี้มีความประสงค์มีความต้องการอย่างนี้ว่าฉนัยเนาขอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี่เสื่อมไปใช่ไหมใครก็ต้องการอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้ไม่ต้องการเบื่อเอียนเต็มทีะเอียดเอียนนีไปให้มนพ้นเถอะอะไรอเงี้ยนะใครว่าต้องการแต่แบบนี้ต้องการสิ่งที่ตัวเองรังเกียจขยะแะแยงเบื่อหน่ายไม่ชอบใจเนี่ยนะ อย่างเช่นสุขภาพไม่ดีนี่ใครต้องการมัางไม่ต้องการขอให้มันหมดไปขอให้มันเสื่อมไปเนี่ยนะไอ้พวกขาดทุนทั้งหลายเรียกว่าความเสื่อมเสียเนีย่ยแบบไม่น่าเราจรึงชอบส่วด น, นะความจังไรทั้งพวงจงมั่มลาดไปเนี่ยนะขอโรคภัยไข้เจ็บอันตรายนิมิตร้ายอาวมมงคลโอ้ยมันหมดไปเนี่ยนะมันก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ปรารถนาเหลือเกินอยากให้มันหมดไปก็คือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคลายแล้วก็ไม่น่าพอใจ แล้วก็ยังปรารถนาอีกว่าขอให้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยพึงเจริญขึ้นด้วยเถิดเนี่ยเจริญแทนที่เนี่ยให้เจริญด้วยอายุวันนาะสุขะพละให้เจริญด้วยพภกกระซบเป็นต้นเนี่ยนะก็ปรารถนาแต่ความเจริญกันปรารถนาอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภยัยปราศจากอันตรายเนี่ยนะมีแต่ความสุขเกษมปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็ปรารถนากันแบบนี้ ทางทางที่คือความจริงเนี่ยทุกคนปรารถนากันอย่างนี้มีแต่ความต้องการแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเมื่อสัตว์มีความปรารถนามีความใคร่มีความพอใจมีความประสงค์มีความต้องการอย่างนี้แต่ไอสิ่งที่ได้มันกลับตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยนะเครียกว่าสิ่งที่ไม่ชอบทําไมมันกลับมาทับถมเข้ามาทับถมเข้ามา หรือสิ่งแล้วสิ่งเล่า เ, เรื่องแล้วเรื่องเล่าเนี่ยนะเจอเหตุการณ์แล้วแล้วเล่าเล่าทั้งทั้งที่ไม่ต้องการเลยเนี่ยนะ ไฟไหม้บ้า น, ป น, นไปตน้นก็ไม่ต้องการน้ําท่วมทําลายทรัพย์สินก็ไม่ต้องการโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนก็ไม่ต้องการลูกริ้นไม่ดีนิสัยไม่ดีคืออะไรที่ไม่ดีอ่ะตัวเองไม่เคยต้องการเลยอย่างเมษาอย่างเงี้ยนะคนที่ไปเที่ยวกันสงกรานเนี่ยใครมั่งปรารถนาเออขอให้ญาติเราไปประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีใครเขาปรารถนาอย่างนั้นหรอกแต่ตรงกันข้ามตายกันมากกวสงครามอีกเนี่ยนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นเอา ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมไม่ได้ต้องการเลยต้องการสุขพีดมีความสุขต้องการปราศจากทุกขาต้องการสรุปว่าต้องการปรารถนาแต่ความสุขอย่างอุบัติเหตุเนี่ยใครต้องการบ้างปีหนึ่งเนี่ยนะประชากรทั่วโลกเนี่ยประสบอุบัติเหตุเป็นล้านเนี่ยนะปีหนึ่งเป็นสิบล้านก็มีบางปีเนี่ยนะทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะไอ้ที่เจ็บป่วยพิการเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนและเป็นหมื่นเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ย ถามว่าใครต้องการมั่งหมดอวัยวะหมดตัดโน่นผานี่เป็นต้นไม่มีใครต้องการหรอกแต่ว่าไอ้ความเสื่อมเสียความเสียหายกลับเจริญขึ้นเจริญขึ้นส่วนสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจนี่กลับเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยนะเช่นอะไรนะเขาสมัยใหม่ของเงินทองที่เคยมีมันก็ชักร้อยร้อลงไปแล้วเนี่ยนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ร้อยรอลงไปแล้วสุขภาพก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว มีตาก็ชักมาค่อยดีมีหูก็ตึงขึ้นมีจมูกก็หายใจไม่ค่อยออกมีฟันก็เคี้ยวกินไม่ได้สมความปรารถนาจะลุกจะเดินจะเดิ น, ดนก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะปวดเขา่าปวดขอ้อปวดเมื่อยปวดสรพัดปวดไปหมดอ่ะนะก่อนโทรมาถามเป็นไงบ้างบอกปวดเมื่อยไปหมดเลยพังนอ่ะนะนันเลี้ยงงูไม่ดีงูมันกัดนะคือไอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาพอใจรักใครเนี่ยกลับ เสื่อมลงเสื่อมลงนะนะไอสิ่งที่สรุปว่าไอสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นไอสิ่งที่ต้องการทําไมมันเสื่อมลงเสื่อมลงไม่เป็นอย่างใจคิดไม่เป็นอย่างใจหวังเลยพระพุทธเจ้าตั้งคำถามว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยเหตุของมันคืออะไรเหตุอะไรเนาะทั้งๆที่ไม่ต้องการความเสื่อมแต่ความเสื่อมกลับเจริญต้องการแต่ความเจริญแต่ความเจริญกลับเสื่อมลงอันนั้นมันมีอะไรเป็นเหตุ พระพุทธเจ้าก็ถามพระภิกษุทั้งหลายขึ้นภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค้าธรรมะทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นมูลมูลก็คือรากเนี่ยนะเป็นมูลรากเนี่ยนะพระมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นํา มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าข้าขอให้เนื้อความแห่งพาสิทธนั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเถิดเมื่อพิสูนทั้งหลายได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจับทรงจำเอาไว้จะ ก, กาหนดจดจำเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ ก็ อ, อัตกถาอันนี้เนี่ยประกาศถึงท่านอธิบายลักษณะของพระพิกษุสมัยพุทธกาลว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะไม่คํานวณคิดกะเกณฑ์เหลวไหลอะไรขึ้นมาไม่มีก็รอฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะเพราะถามว่าทําไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มี ปัญญาที่มาตรฐานคงที่เนี่ยน ะ, ะแสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แสดงตามเป็นจริงเนี่ยนะประกาศตามความเป็นจริงว่าความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นต้นก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลมูลนี่ก็คือรากเงาแห่งคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหมดของข้าพระองค์มีพระองค์เนี่ยเป็นเป็นมูลเป็นรากเงาให้ อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะชื่อว่าเป็นรากเงาคึเป็นมูลเนี่ยเพราะพระองค์เป็นเข้ามูลแห่งสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมว่าพระพุทธเจ้าข่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ของพวกฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายครั้งแรกนั้นนะ่ะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้เกิดขึ้นตอนหลังพระองค์ก็เมื่อดับขันปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีสมณะหรือพรามที่ขึ้นชื่อว่าจะสามารถ ให้ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเลยสิ้นพุทธันดรหนึ่งเนี่ยนะก็คือระหว่างที่พระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสัพพันยูพุทธเจ้าไม่ได้มีขึ้นในโลกอีกเลยเนี่ยนะตลอดจนถึงเมื่อพระองค์ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้ทรงให้ธรรมะเหล่านี้ของข่าพระองค์เกิดขึ้นแล้วธรรมะเหล่านี้คือกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยนะ พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้เกิดขึ้นแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้จึงจะเข้าใจทั่วถึงคือรู้ทั่วถึงธรรมะเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุนั้นธรรมะของพวกข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเข้ามูลด้วยประการชนีก็คือว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่จาเป็นต้องอาศัยรากเนี่ยนะ แล้วจึงจักเจริญเติบโตผลิดดอกออกผลลำต้นที่โตมีใบหนาะดกเป็นต้นมีดอกมีผลเนี่ยจำต้องอาศัยรากเพรนะุรากแห่งการเจริญคุณธรรมในพระพุทธศาสนาของพวกข่าพระองค์เนี่ยคือพระองค์คือถ้าหากว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้นคือศีลศีลเนี่ยนมมะศีลสมถา ว, วิปัสนาข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลจักมีได้ไหมพันถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นราก เง่าของของอะไรของคุณงามความดีพระองค์เป็นรากเง่าที่จะให้เราเนี่ยประสบแต่ความเจริญในพระพุทธศาสนาเพรา ะ, ะชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายถือว่ามีพระองค์เป็นข้ามูลเนี่ยนะคือลักษณะของคนที่พุทธังสรารนางังคัตฉามิเขาเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะคือทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่พระพุทธเจ้าถามว่าทําไมจึงไว้วางใจพระพุทธเจ้าขนาดนั้น เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงเมื่อบอกก็บอกความจริงแล้วก็สิ่งที่พระองค์บอกแม้แต่พุทธพุทธพจน์คาเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วนะได้เห็นพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วได้ฟังคำสอนของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อพระพของพระองค์แล้วมา น, นั่งเดากันทาไม นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็คุณงามความดีบุญกุศลหรือแม้กระทั่งการประพฤติธปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลของข่าพระองค์ทั้งหลายก็มีพระองค์เป็นมูลรากเนี่ยนะนะก็เปรียบเหมือนว่าต้นไม้เนี่ยนะมีความสําคัญก็คือรากใช่ไหมถ้าไม่มีรากเนี่ยนะต้นใหญ่หญหญโตๆเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไงฉันใดถ้าหากว่าเราปรารถนาความเจริญด้วยต้นศีลต้นสมถะต้นวิปัสนา ต้นมรคนเนี่ยนะให้ให้สำเร็จเป็นมรเป็นผลเนี่ยมันก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นมูลรากพ่านพระพุทธพจน์ตรัสไว้อย่างไรเราทั้งหลายก็จะทรงจําอย่างนั้นท่านการสมาทานศึกษาเรียนรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกนั้นอ่ะอันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเราจริงๆพระพิสุเหล่านั้นก็บอกอีกว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำํำเรียกว่านิติกาเนี่ยนะเป็นผู้นํา เรีว่าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้คอยนําเป็นผู้ชักจูงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะมีพระองค์เป็นผู้ที่คอยแนะนําชักจูงในเรื่องสัจธรรมทั้งหลายนนในวิธีการกําหนดรอบรู้กองทุกในวิธีละสมุทัยในวิธีทำพระนิพพานให้แจ้งในวิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะมรรคผลจะบังเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยพระองค์คอยชักคอยจูงว่างนั้นฮะ พันธมะทั้งหลายที่พระองค์ตั้งเป็นหมวดหมวดเนี่ยพระองค์ก็ตั้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่ชักนำข้าพระองค์จะรู้ได้ยังไงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษเนี่ยนะนี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งนี้มีอุปการะมากนี้ไม่มีอุปการะ อันนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมนี้เป็นไปเพื่อความเจริญอันนี้ควรทําให้เกิดขึ้นอันนี้ทําให้เกิดขึ้นได้ยากมากเนี่ยนะนะพันธะเจริญคุณธรรมทั้งหลายได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีพระองค์คอยชี้นําคอยแนะนำเนี่ยนะก็จริงนะนะอย่างแม้กระทั่งกุศลกรรมบทเนี่ยถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยเราจะไม่คิดว่าแม้กระทั่งกุศลกรรมบทจะเป็น สาระเป็นแก่นสารเราจะคิดว่าศรัท ธ, ธานี่มีดีหรือจะคิดว่าวิริยะเนี่ยดีหรือจะคิดว่าศีลเนี่ยเป็นของดีหรือเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่คอยบอกคอยแนะนำกล่าวถึงประโยชน์อ น, นิสงค์ของศีลอนิสงค์ของสมถะอ น, นิสงค์ของวิปัสสนาอนิสงค์ของมรรคของผลทั้งหลายถ้าพระองค์ไม่คอยบอกคอยแนะคอยนาําคอยตักเตือนเนี่ยนะจำแนกอธิบายชี้แจงเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเนี่ย เราจะทําตามได้ยังไงเนี่ยนะเราจะเดินตามได้ยังไงเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นผู้ชักจูง น, นะเพราะเนติกาก็าเรียกว่าคนนําไปเป็นคนพาไปเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าเราจะสมัยก่อนเขาพูดถึงคนที่จะข้ามทะเลทรายเนี่ยนะข้ามทะเลทรายข้ามถิ่นธุรกันดาลเนี่ยจะต้องมีผู้นําที่เก่งมากเนี่ยนะเป็นผู้นําที่เก่งกาดมีความรู้ความสา ม, มารถแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยโภกข้ัพย์เป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็ฉลาดเนี่ยนะมีความสามารถหลายๆด้านเขาจึงจะพาให้ข้ามพ้นจาก อ, อ่าก็เรียกว่ากันดารทั้งหลายเหล่านั้นหรือเหมือนเราจะอาศัยเรือเพื่อจะข้ามฟากนั่นนะโดยเฉพาะข้ามทะเลเนี่ยมั้นผู้ที่เป็นผู้นําในเรือเป็นเจ้าของเรือเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากจึงจะพาะบุคคลทั้งหลายให้ไปถึงที่ปลอดภยัยฉันใด พวกเราทั้งหลายผู้ที่เห็นภายในวัตฏะปรารถนาที่จะออกจากวัตะปรารถนาเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะก็ต้องคอยอาศัยพระผู้มีพระภาคคอยบอกคอยแนะคอยนำคอยชักจูงคอยตักเตือนเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสนั้นล้วนแต่ตรัสตามความเป็นจริงเนี่ยนะตรัสตามความเป็นจริงแต่ความจริงก็อย่าลืมว่าความจริงบางอย่างไว้กาหนดรอบรู้ความจริงบางอย่างต้อง ละความจริงบางอย่างควรทําให้แ like. จ้งความจริงบางอย่างต้องเชิญเนี uh ่ยนะความจริงบางอย่างเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากความจริงบางอย่างก็ต้องหาช่องปิดช่องแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะมันก็คือความจริงแหละท่านความจริงบางอย่างมีโทษความจริงบางอย่างไม่มีโทษความจริงบางอย่างให้ผลเป็นสุขความจริงบางอย่างให้ผลเป็นทุกเนี่ยนะฟังว่าพระองค์ก็จะจําแนกให้ให้เข้าใจความจริงในัยยะต่างๆเง้มุมต่างๆ ไม่ใช่ว่าจริงและจริงแบบก็จริงมันคืออะไรบางทีอาจจะจริงในความเชื่อก็ได้บางทีก็จริงแค่คำแต่ความจริงที่เป็นสัาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจําแน ก, จ แ, นกแจกแจงโดยนิยต่างๆต่อไปอีกบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยปฏิสารนาเนี่ยนะครก็แปลว่าขออาศัยเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ขอเอาผู้อื่นเป็นที่พึ่งอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อพบ พระองค์ผู้เป็นพระอาหารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะแล้วเนี่ยจะต้องนับถือใครเป็นที่พึ่งอีกเล่าเน่นะเพราะฉะนั้นที่พึ่งอาศัยตรงนั้นมาจากบาลีว่าปฏิสารณาขอพึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในจำนวนบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งขอนับถือขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะทำทั้งสี่อย่างหรือทำทั้งสี่ชั้นมาสู่คลองของพระสัพพัญยุตยาน ธรรมะทั้งหมดมาจับกลุ่มประชุมลงอย่างพร้อมเพรียงในพระพุทธเจ้า